ือกวปีที่แล้วนะตอนที่มีข่าวว่ามีการสร้างตึก world trade center ที่กรุงนิวยอร์กอเมริกาเนี่ยก็มีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเนี่ยเก็มีความไฝ่ฝันขึ้นมาเลยนะว่าถ้าตึกแฝด world trade เนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยจะอยากจะทำสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทำในชีวิตมาก่อน ใช่คนนี้เนี่ยชื่อฟิลิปเปอร์ตีนะัเป็นนักไต่ลวดบนที่สูงนะยวก็เดินไต่ลวดเนี่ยที่สูงจากพื้นเนี่ยเป็นร้อยๆเมตรเนี่ยทำมาหลายที่แล้วแล้วก็คิดว่าเนี่ยไอ้ตึกแฝดเนี่ยถ้าสร้างเสร็จเนี่ยนะมันจะกลายเป็นสถานที่ที่แกจะได้เดินไต่รวดระหว่างตึก2ตึกมันจะหาตึก2ตึกที่ขนาดสูงเท่ากันไม่มีแล้วนะ เนื่องาะตึกที่สูงขนาด400เมตรเนี่ยแเาก็เลยมีความฝันวนะ่าตึกนี้ตึกแฝดนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะจะเดินไต่ลวดที่ขึงระหว่างยอดตึก2ตึกเนี่ยแล้วเขาก็รอมาหลายปีนะจนกระทั่งพอได้ข่าวว่าตึกสร้างใกล้เสร็จแล้วเขาก็เดินทางไปอเมริกาแล้วก็แอบเข้าไปในในตึกแฟนี่ขขึ้นไปถึงยอดเลยนะ กลางคืนแล้วก็ใช้ลูกธนูเนี่ยผูกรวดสลิงยิงนะไปที่ยอดตึกอีกตึกหนึ่งนะซึ่งอยู่ห่างประมาณ200เมตรได้มั้งหรือประมาณร0อเมตรเนี่ยแล้วขึงให้ตึงแล้วพอลุงซางเนี่ยเขาก็เริ่มเลยนะเดินไต่ลวด ที่ขึงระหว่างยอดตึกสองตึกเนี่ยโดยมีไม้ยาวๆเนี่ยถือเอาไว้เพื่อเลี้ยงตัวตอนนั้นเขาไม่ได้คิดจะโชว์ใครนะมันแค่อยากจะทัดในสิ่งที่มันทาดทายแต่ว่าคนข้างล่างนี่เห็นนะเห็นมีคนเดินไต่ลวดอยู่ลิบๆไกลลิบสูงลิบๆเลยก็โทรไปแจ้งตำรวจ ตำรวจก็รีบมาทันทีเลยนะแล้วก็มาดักรออยู่ที่ปลายลวดบนตึกแฝดอีกตึกหนึ่งพิลิปเนี่ยเขก็ค่อยเดินต่ลวดไปเรื่อยๆนะมีสมาธิอการเดินบนลวดแต่พอถึงปลายลวดซึ่ก็คือยอดตึกของอีกตึกหนึ่งเนี่ยเห็นตำรวจรออยู่เขาก็ กระโดดกลับตัวกลางอากาศอย่างคล่องแคล่วเลยนะแล้วก็เดินนะกลับไปที่ยอดตึกเดิมปลายทางเนี่ยนะมันก็มีตำรวจอีกนะจำนวนหนึ่งรอเขาอยู่เพราะฉะนั้นพอเขาเดินใกล้ถึงยอดตึกเขาก็กระโดดหันกลับแล้วก็เดินไปที่ยอดตึกอีกตึกหนึ่ง เดินไปกลับไปกลับเนี่ยประมาณ8ดเที่ยวโดยที่ไม่พลัดตกลงเลยนะข้างล่านี่ขนก็รุนนะว่าเนี่ยจะตกลงมาหรือเปล่าแต่ฟิลิปก็เดินกลับไปกลับมา8เที่ยวประมาณ45นาทีก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วถึงตอนนั้นก็เลยกระโดดลงจากลวดให้ตำรวจจับ โดยดีก็กลายเป็นข่าวนะแล้วก็มีนักข่าวถามเขานะว่าเนี่ยตอนที่คุณเดินบนกลางกาเนี่ยคุณทำได้ยังไงคุณคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าตอนที่เดินเนี่ยไม่ได้คิดถึงปลายลวดหรือยอดตึกอีกตึกหนึ่งเลยนะแต่ว่าเขาคิดแต่เพลงว่านะทำไงจะให้เท้าซ้าย เลื่อนไปอยู่หน้าเท้าขวาแล้วก็ขยับเท้าขวาให้เลื่อนขึ้นไปอยู่หน้าเท้าซ้ายแค่นี้แหละใจนี่เขาก็อยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจยอดตึกอีกตึกหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจพื้นดินข้างล่างเพราถ้าเขาสนใจพื้นดินข้างล่างเขาคงจะขาดสมาธิหรืออาจจะเกิดความหวาดกลัว เกิดความกระเพิ่มในใจแต่ว่าเขาไม่ทําย่า ง, งานนัะ้ใจเขาก็อยู่กับการก้าไปทีละก้าวทีละก้าวเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงความสําเร็จอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าให้อยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วเขาบอกในภายหลังว่าเนี่ยตอนนั้นชี่ิตเขาเนี่ยก็อยู่แค่นี้แหละที่นี่แล้เดี๋ยวนี้หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวมาเนี่ย ผ่านไปนะสากว่าปีเนี่ยหลังจากที่ตึกแฝนี่โดนถล่มไปแล้วเพราะเหตุการณ์เชเกันยาก็มีคนมาสัมภาษณ์เขาเนี่ยว่าเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เขาเดินไต่ลวดนะอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนบนยอดตึกแฝดเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยนะว่าความสำเร็จครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเขา ไม่ได้เคยคิดเลยแม้มันจะเป็นความสําเร็จที่งดงามเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยคือวันนี้นะคือวันนี้วันนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีความอะไรอาวอนกับความสําเร็จเมื่อสามสกว่าปีก่อนเลยถ้าเราฟังที่เขาพูดเนี่ยมันก็แสดงว่าเนี่ยเขาเป็น ตัวอย่างที่ชัดเจนนะของการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเวลาได้ยินคราว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเข้าใจไปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่ฟิลิปพูดเนี่ยนะมันเป็นตัวอย่างเลยนะว่าอยู่กับปัจจุบันคืออะไรนะก็คือการที่ใจอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีการอ ะ, อะไร เรื่องราวในอดีตแม้มันจะเป็นอดีต ท, ที่หอมหวานก็ไม่ไปจมอยู่กับเหตุการณ์นั้นอย่าว่าแต่อดีต ท, ที่หอมแม้แต่อดีตทีท่หอมหวานยังไม่ไปอะไรอาวานกับมันณภาประสาอะไรกับอดีต ท, ที่เจ็บปวดจะไปข้องแวะหรือว่ามกบุนกับมันทาไมแต่เดียวกันเขาก็ไม่ปล่อยใจให้ไปอยู่กับอนาคตหรือว่าจุดหมายปลายทางตอนที่เขาเดินบนลวดนี่เขาอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าว ส่วนยอดตึกหรือจุดซึ่งเป็นจุดหมายเนี่ยเขาวางมันลงอันนี้คือความหมายการอยู่กับปัจจุบันนะคนเราแม้จะทำแม้ไปรทําอะไรแม้จะมีจุดหมายแต่ว่าถึงเวลาเราลงมือเนี่ยเราก็ควรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเทา้าแต่ละก้าวที่เดินโดยเฉพาะเวลาเราเดินตรงกลมเพื่อปฏิบัติธรรมเราจะปรารถนาความสงบเราจะปรารถนาการมีสติ รู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าการเกิดปัญญานั่นคือจุดหมายซึ่งเป็นอนาคตแต่ว่าเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ควรที่เราจะอยู่กับแต่ละกนะ้าวที่เดินวางจุดหมายนะที่มุ่งประสงค์เอาไว้ก่อน ไม่ว่างานนี่จะเป็นงานอะไรก็ตามและถ้าเราใจเราอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ทาให้เรามีสมาธิได้ง่ายและถ้าเราตระหนักว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด ทำความเพียรเอาความเพียรทุ่มเทลงไปในสิ่งนั้นอันนี้เราเรียกว่าอยู่ทาปัจจุบันที่ดีที่สุดนะอยู่กับปัจจุบันกับทาปัจจุบันที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ ค, คล้ายกันนะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวทำปัจจุบันที่ดีที่สุดคือการที่เราเร่งทําสิ่งที่ควรทำแล้วก็เอาความเพียรใส่ลงไปนะโดยที่ไม่ผัดผ่อน หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็มักจะมองข้ามผัดผ่อนไปแม้จะเป็นการดูแลคนใกล้ตัวพ่อแม่ปุปการีหรือว่าการดูแลใจสายร่างกายสุขภาพรวมทังการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ร่วมมันดีแต่ว่าเราก็ผัดผ่อนถ้าทหมือนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ทําปัจจุบันที่ดีที่สุด ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือว่าทำสิ่งที่ควรทำนะโดยที่ไม่ผัดผ่อนเร่งทาด้วยความเพียรซึ่งมันจะโยงกับเรื่องความไม่ประมาทนะเพราะว่าถ้าเรามีความไม่ประมาทเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างที่มีบทสวดที่เราสวดอยู่นะหลายครั้ง ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้เราถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาพรุ่งนี้เพื่อกะตุนให้เราเกิดความไม่ประมาทและดังนั้นเราจึงเร่งทำความเพียรถ้าเราทำความเพียรเสรียแต่วันนี้เนี่ยหรือว่าทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยเสียแต่วันนี้โดยที่ไม่ผัดผ่อนอันนี้เราก็เรียกว่าทาปัจจุบันที่ดีที่สุดซึ่งมันต่างจากการอยู่กับปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วมีอีกคํานึงนะเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะอันนี้ความหมายมันคืออะไรก็คือการที่มีสติตามรู้ในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งการมีสตินะรู้ทันสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับกายและใจ อันนี้มาละเอียดลงไปนะไอการเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยมันต้องอาศัยสติที่ทํางานอย่างละเอียดการที่เราจะมีสติตามรู้สิ่งที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่กําลังเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เรากำลังฟังคําบรรยายเนี่ยเราก็มีสติตามรู้ทุกคํำที่ได้ยินในฟัง่งแม้บางทีอาจจะมีการสะดุด บางคำบางประโยคแต่ว่าก็ไม่ติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งตามไม่ทันนะสิ่งที่กำลังบรรยายถ้าเรามีสตินะเป็นตามรู้ในปัจจุบันหรือที่ว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยบางทีอ่จจะมีสิ่งที่ดึงใจให้เราหลุดออกไปจากคำบรรยายที่กำลังฟังอยู่แต่สักพักเนี่ยเรา สติก็ดึงกับดึงจิตกลับมาตามรู้อยู่คาบรรยายต่อเนื่องได้รวมทั้งการรู้นะันสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจนะในขณะนั้นๆ น, นอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังมาทำกันเนี่ยการที่เราจะอยู่กับปัจจุบันหรือทำปัจจุบันที่ดีที่สุดเนี่ย อาจจะไม่ต้องอาศัยสติที่ละเอียดอันที่เรียกว่าสัมมาสตินะแต่ถ้าเราจะอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยมันต้องอาศัยสัมมาสติพอไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่รู้ทันนะในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับกายและใจในปัจจุบันเช่นกำลังเดินอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ากำลังเดินอันนี้เราไม่รู้กายหรือเรียกว่าลืมกายใจมัคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าใจกาลังคิด ใจกำลังมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดหรือว่ายินดีก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะในเวลานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ขึ้นมานะตามรู้หรือว่ารู้ทันนะตอนนี้กำลังหงุดหงิดตอนนี้กาลังโปร่งเบาตอนนี้กําลังเพลิ น, อ, น, น, น, อ, น, น, น, นอ่าตรง น, นี้แหละนะที่เราว่าเราเริ่มจะเรียนรู้ที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันต้องอาศัยการฝึกนะอาศัยการฝึกและการฝึกเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะก็คือว่าเราถ้าเราต้องการฝึกให้มีสติตามรู้หรือรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้ น, น, นกับกายและใจเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยเราต้องยอมให้ทุกความคิดและทุกอารมณ์เกิดขึ้น ไม่ใช่เลือกที่รักมากที่ชังความคิดบางอย่างยอมให้มีแต่ความคิดบางอย่างไ ม, ม่ชอบผลักไสอารมณ์บางอย่างอยากให้มีแต่อารมณ์บางอย่างพยายามกดข่มหรือว่าหาทางปัดเป่าไม่ให้มีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ มันก็ไม่มีโอกาสที่สติเราจะเติบโตเพราะว่าสมารสติเนี่ยมันจะพัฒนาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรียนรู้ที่จะรู้ตัวทุกครั้งที่เผลอเผลอเมื่อไหร่ก็รู้ตัวหลงเมื่อไหร่ก็รู้ทันและถ้าเรารู้ตัวหรือรู้ทันบ่อยๆเนี่ย สติของเราก็จะไวความสึกตัวเราก็จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วแต่เราจะรู้ตัวว่าเผลอได้บ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องยอมให้มีความเผลอเกิดขึ้นเราจะรู้ทันความโกรธได้อย่างรวดเร็วก็ต่อเมื่อเรายอมให้มีความโกรธเกิดขึ้นเพื่อจะได้ฝึกสติให้รู้ทันและนอกจากการยอมหรืออนุ ญ, ญาตให้ทุกความคิดทุกอารมณ์เกิดขึ้นได้ ยอมให้เผลอยอมให้มีความหลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคือเราต้องเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานเองบ้างถึงแม้ว่าสติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันจะทำงานช้าคิดไป 7,8 เรื่องแล้วถึงค่อยมีสติรู้ระ ล, ลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่เดินไป 7,8 รอบเราถึงค่อยมารู้ตัวว่ากาลังเดินอยู่ สวดมนต์ใบเนี่ยผ่านไปละห้านาทีถึงค่อยมารู้ตัวว่ากาลังสวดมนต์อยู่อันนี้แสดงว่ารู้ช้าเราลึกรู้ได้ช้าก็คือสติมันทำงานช้าแต่ว่าเราก็ต้องนะยอมนะให้สติได้ทำงานแบบนี้แม้มันจะช้าแต่ก็ต้องให้เขาได้ทำงานเราอย่าทาแทนเขานะ หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าสติมันทํางานช้ารู้รู้รู้สึกตัวได้ช้ารู้ทันความคิดได้ช้าแม้ความคิดมันฟุ้งเยอะเลือเกินอย่ากกันนั้นเลยเนี่ยทําแทนสติดีกว่าทําแทนสตินี่ทํำยังไงนะคือไปดักจ้องความคิดความคิดมันโผล่เมื่อไหร่ฉันตบมันทันทีนะไปดักจ้องดูอารมณ์อารมณ์โผล่เมื่อไหร่นี้ฉันกดข่มมันทันทีหรือไม่ฉะนั้นเนี่ย เม ruled, ื่อรู mm ้ว hmm. mm ่าเมื่อรู้สึกว่ารู้ตัวว่าเดินเนี่ยแมมันไม่ค่อยรู้ตัวว่าเดินเลยยกมือก็ไม่ค่อยรู้ตัวว่ายกมือก็เลยภาคซะเลยนะภาคเลยนะฉันกาลังเดินฉันเดินฉันเดินนะฉันก้าวเท้าซ้ายฉันก้าวเท้าขวาฉันยกมือยกมือขวาฉันยกมือซ้ายอันนี้เรียกว่าภาคนะ แล้วเหตุที่พาคกเพราะอะไรเพราะต้องการทํางานแทนสติเพราะสติมันช้านะมันก็เลยฟุ้งเยอะหรือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแทนมันซะเลยถ้าเราทําแทนสตินะสติก็ยากที่จะเติบโตหรือทํางานได้คล่องแคล่วก็เหมือนกับเรามีลูกแล้วเราตอบทํากับบ้านให้ให้กับลูกนะ ลูกทำไม่ได้เราทำแทนให้แล้วลูกจะมีความรู้ได้ยังไงหรือบางทีลูกน้องเนี่ยนะเราเราให้เขาทำงานแต่ว่างานออกมาช้าเราหยิบมาเราช่วยมาทำแทนเองเลยมันก็เร็วนะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็จะไม่มีความสามารถเราต้องรู้จักนะเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ทางานแม้จะช้า แต่ว่าถ้าเขาทำบ่อยๆเขาก็จะทำได้เร็วทำได้ดีขึ้นลูกของเรานะแม้เราจะให้เขาจะทางานบางอย่างอื่นได้ช้าเช่นทำความสะอาดนะกวาดบ้านเช็ดถูช้าไม่สวยไม่สะอาดหมดจดนะพ่อแม่ทำเองเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยลูกเนี่ยจะทำความสะอาดบ้านได้ดีได้อย่างไรเราต้องเชื่อใจนะว่า เมื่อเราให้โอกาสสติทำงานเนี่ยสติก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเคยมีการทดลองนะให้หนูเนี่ยไปหาอาหารที่เขาซ่อนอยู่ในห้องนะห้องนี้ก็ห้องไม่ใหญ่นะแต่ว่าเส้นทางมันคดเคี้ยวมากเหมือนกับเขาวงกดเนี่ยในห้องเล็กๆน่มันมีช่องทางหรือเส้นทางมากมาย ซึ่งบางทีก็เป็นทางตันบางทีก็เป็นทางหลอกแล้วก็ปล่อยให้หนูเนี่ยเข้าไปในห้องนั้นดูว่าเนี่ยมันจะหาอาหารเจอได้เร็วไหมใหม่ๆเนี่ยมันหาอาหารได้ช้านะเพราะว่ามันหลงทางมันมันงงมั่งแต่ถ้าทำซ้ำๆนะทซ้าๆเนี่ยหนูเนี่ยมันจะหาอาหารได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่ง พอทำไปสัก10ครั้ง20ครั้งนี่โอ้มันสามารถจะวิ่งไปหาอาหารจนเจอได้ในเวลาที่รวดเร็วทั้งๆ ท, ที่ย้ายตำแหน่งนะของอาหารแต่มันรู้ทางแล้วมันเกิดความฉลาดนี่ขนาดหนูนะมันยังมีความสามารถในการเรียนรู้ทที่จะหาอาหารได้อย่างรวดเร็วแลวมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ สติของเราเนี่ยมันสติของมนุษย์ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานเนี่ยเขาจะหาใจของเราเนี่ยได้เจอเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่ไม่มเนี่ยใจมันก็ไหลหลงนะเหมือนกับว่าหลงไปในป่าแห่งความคิดกว่าสติจะตามหาใจเจอแล้ว่าใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโอ๊ยช้าเหลือเกิน ไม่รู้มันหลงหายไปไหนมันหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ใหม่ๆเนี่ยสติมันจะตามหาใจได้ช้านะเพราะนั่นเราก็เลยคิดไปละเ78เรื่องเนี่ยถึงจะรู้ตัวถึงจะรู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่แต่พอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะเปิดโอกาสให้สติได้ทํางาน บ, าบ่อยๆมันจะหาใจได้ไวขึ้น แล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวได้ไวขึ้นจะทํานี้ได้เนี่ยนะเราต้องใจเย็นนะอย่าไปทําแทนสตินะอย่าไปคอยดักจ้องดูความคิดปล่อยให้สติเขาทางานแล้วเราจะพบว่าพอสติเขาทํางานคล่องแคล่วเนี่ยเราจะเบาสบาย ก็จะทางานแทนเราได้อย่างรวดเร็วตจนบางทีเราอดแปลกใจไม่ได้ไว่าทาไมเรารู้ทันได้ไวงั้นต้องใจเย็นนะนะเปิดโอกาสให้สติได้ทํางานแม้มันจะช้าแม้มันจะไม่ทันใจนะแต่ตอเราก็มีความเชื่อมั่นในสติว่าเขาจะเรียนรู้ได้เนะพราะแม้แต่หนูนี่นะมันยังเรียนรู้ได้ไวเลยแล้วสติของเราเนี่ยจะ ทำอย่างนั้นไม่ได้เชืหรืองั้นเราเนี่ยเตือนใจอยู่2 อ, อย่างนะคือว่ายอมหรืออนุญาตให้ทุกความคิดเกิดขึ้นโดยที่ไม่ผักใสแม้มันจะมีความคิดฟุ้งซ่านมากมายก็ช่างมันอย่างที่หลวงพ่อเตือนท่านบอกนี่จะไปห้ามคิดนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งหลงก็ยิ่งรู้นะคือรู้ว่าหลง เราจะรู้ว่าหลงได้เนี่ยก็เพราะว่ามีความหลงเกิดขึ้นก่อนแล้วหลงบ่อยๆมันก็จะรู้ทันความหลงได้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วมันจะเห็นนะว่าความหลงนี่อาการเป็นอย่างไรเวลาความคิดเกิดขึ้นน่าจะเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเราปล่อยให้สติทํางานเนี่ยสติมันก็จะจําได้หมายรู้เลืลึกได้ว่าไอ้หลงคิดมันเป็นอย่างไร เวลาความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรายอมให้ความโกรธมันเกิดเกิดขึ้น บ, บ่อยแล้วเราปล่อยสติทํางานสติก็จะจําได้ว่าความโกรธนี่นะอาการเป็นอย่างไรพอจําได้นะพอมันพอความโกรธเกิดขึ้นอีกสติมันรู้ทันเลยมันเหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกายขอยงเรานะถ้ามันมีเชื้อโรคแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ย ผงคุ้งการเราจะจำได้และถ้ามันมาครั้งที่2องผกอ ง, งการร่างกายเราก็จะรีบจัดการกับเชื้อโรคนั้นเลยแต่ว่าตอนครั้งแรกเนี่ยผงการเรายังจำเชื้อโรคไม่ได้มันก็อาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวดเกิดเป็นไข้ขึ้นมาแต่ว่าพอมันมาครั้งที่2เนี่ยนะ เนื่องจากผูม้มกันกมันจําได้แล้วมันก็จะไม่ปล่อยให้เชื้อโรคนี้มาอารวาสมาเพ่นพ่านทําร้ายร่างกายเราสติของเราเนี่ยมันก็มีความสามารถในการจำนะเพราะมันเป็นหน้าที่ของสติอยู่แล้วนะและสิ่งที่เราอยากให้สติมจําได้คือความโกรธเป็นอย่างไรความหงุดหงิดเป็นอย่างไรนะความดีใจเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร พอมันไม่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะความหลงเนี่ยสติมันจะจําได้แล้วความรู้ทันก็จะเกิดขึ้นเมื่อรู้ทันความหลงความหลงหายความสึกตัวหรือความรู้ตัวก็มาแทนทั้งหมดนี่มันก็มารวมมาสวปตรงที่ว่าให้ทาาําบ่อยๆทําซ้ำๆทาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ไปทําแทนของสติ แต่เราให้สติทางานแล้วต่อไปเราจะสบายเหมือนกับเวลามีน้ำน้ำน้าสกปรกเนี่ยน้ำเน่าขังเนี่ยเราไม่ต้องไปขุดหรือว่าไปไปวิดน้ำเลยนะน้ำเน่ามันจะขังยังไงเราไม่ต้องวิดน้ำเลยเหนื่อยเสียเวลาเราปล่อยน้ำดีเข้าไปน้ำดีมันก็ไปไล่น้ำเสียเอง ฉันแรกกับฉันนั้นนะเวลามีความหลงมีความทุกเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความหลงความทุกนั่นแหละปล่อยสติทำงานสติมันก็จะไปจัดการกับความหลงความทุกนั้นเองมันทำได้ถ้าเราเปิดโอ ก, กาสให้มันได้ทำบ่อยๆเย็นนี้เพืเ่อตอนนี้นะ